ยังสงสัยคําว่าสติที่เป็นเหลือข้ามฟากนะฮะอย่างเช่นก็คือว่าอคือสตินี้อยู่ส อ, ส, อสองสองสองสองระดับใช่ไหมก็คือหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้อีกระดับหนึ่งก็คือไม่ไม่หลงแล้วแล้วก็ก็รู้ก็คือไม่หลงแล้วแล้วก็รู้รู้รู้ผู้รู้ที่ที่มีที่มีอาการยุกยิกยุนะฮะอ่าทีนี้เนี่ย อทําให้ผมไปนึกภาพว่าเอาสติเนี่ยมันก็เป็นสังขารตัวหนึ่งที่จะต้องที่จะต้องมาดูสังขารตัวอื่นก็เปรียบเส ม, มือนว่าผมไปอยู่ในอวกาศแล้วไปดูดวงดาวต่งางๆที่เคลื่อนไหวถ้าเราเป็นสมมุติอย่างนี้จะมีตัวเราอันนี้จะผิดเลยถ้าเราเป็นสมุตดสมุดิีฐานผิดตั้งแต่แรก มอพยายามไปสร้งอย่างนี้ก็เอาตัวเราเป็นสติอย่างนี้หมอไปยึเป็นสติเป็นตัวเราตัวเราเป็นสติแล้วเอาตัวเราไปอยู่แนอวกาศแล้วมองเห็นทั้งสังขารและมองเห็นทั้งจักรวาลคือความว่างเป็นเล็บเอาตัวเราไปเป็นสติเอาสติเป็นตัวเราแล้าตัวเราไปลอยอยู่ในจักรวาลแล้เราเลยมองไปผู้ที่มองเห็นนั่งความว่างของจักรวาลและมองเห็นดวงดาวทั้งหมด ทุกสิ่ทุกอย่างลองลอยจากประาลอันเนี้มันเกินมาสามตัวคือตัวหนึ่งเนี่ยคือธรรมชาติที่มันบ่งแต่งได้โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงทิศโลกอุกาบาตจัลลอยดาวเทียมที่มันลอยในเอาความบ้างอากาศกับธรรมชาติฝ่ายไม่อบ่งแต่งคือความบ้างของอวกาศแต่เกินไในงานคือมีตัวเราเปลอยอยู่ในอวกาศเพื่อดูสองสิ่งนี้อย่นี้จะพ้นทุกไม่ได้ เราเน่ย แ, แท้เลยก็คือความว่างของธรรมชาติจักรวาลที่มีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีไม่มีรูปหน้าไม่มีอะไรเลยเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นตัวเป็นต้นหรอกเป็นแต่ธาตุรู้เป็นแต่ความรู้ที่เป็นความว่างของจักรวาลเลยดังนั้นมันเลยมีแค่สองอย่างคือเป็นความว่างจากอาการใดๆทั้งหมดกับมีอาการแล้วไม่มีใครไปยึดถือซึง ก, กันและกันเลยมีธรรมชาติแค่สองอย่างแค่นั้นแต่หมอเกินมาอย่างหนึ่ง เกิดมาเลยมีสามตัวคือความว่างของธรรมชาติจักรวาลกับตุงมจางที่ลอยจักรวาลแล้วมีตุ้มหมอไปรนอยจักรวาลอีกหนึ่นนตัวคอยดูสองอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะสมมุติฐานผิดฉนั้นเวลาเวลาคุกันตั้งนามหมอจึจงเข้าใจสับสนว่ามหมอจะไปยาว่างั้นะเราคือตัวไหนเราคือตัวไหนแล้วสติคือตัวไหนเราจะเอาตัวเราที่เป็นสติเนี่ยไปไว้ตรงไหน หมอเลยสับสนเนี่ยมันเลยไม่ไม่เข้าใจตรงกันทีเข้าใหม่เอาใหมหมอเข้าใจไหมเอาม่เอาใหมมันลงกันได้ได้เอามาันตรงกันได้ได้ื อ, ไไอก็คือว่าอาธรรมชาติก็คือมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนที่ปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งก็คือสังขารกับวิสังขานะครคือเราแค่ดูการทํางานของตัววิสต์ตัวสังขาร ดูเห็นการทํางานของมันแล้วก็เห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางนะฮะโดยโดยโดยในการเห็นเนี่ยอ่าก็ต้องอาศัยอาศัยสติอาศัยสติเพื่อเอเพื่อที่จะได้เห็นเห็นการทํางานของมันได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็เห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางไปเฉยเยแค่นั้นแล้วเหตุใดทีด่หมอ เขาบอกว่าเห็นระวางเห็นระวางเห็นที่เห็นระวางวางไปเรื่อยๆเห็นละวาไปเรื่อยๆการทำเหตุเช่นนี้เพื่ออะไรก็เพื่อเออเออก็เพื่อตัวก็เพื่อก็เนื่องจากว่าเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีตัวตนเราไม่มีเราเราเราตัวเราไม่ตัวเราอ่าคือตัวเราเป็น ไม่ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีไม่ปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็เ อ, อบิค้์วิจารณ์อะไรต่างๆไม่ได้เราแค่เห็นมันแล้วก็รู้มันเห็นมันรู้มันแล้วก็แล้วก็วางมันรู้มันแล้วก็วางมันคําว่าวางเขาม่ได้หมายถึงว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างแล้วไปจับวางจับวางจับวางนะครับคืปอปล่อยปล่อยวางเห็นแล้วก็ เห็นก็แค่เห็นเห็นก็แค่เห็ป็นธรรมชาติที่ได้แต่ว่าสับตะวันรู้หรือรู้ทุสันนัยเรียกว่าปล่อยวางจะไม่จะบอกมีตัวเราพยายามไปไปปล่อยวางไปลปล่อยวางครับถ้าเป็นธรรมชาติที่สับตวันรู้หรือรู้ทุสันนันจะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนเองอัตโนมันคือปล่อยวางอะไรก็ปล่อยวางสัมผัสยิบอะไรก็ต้องปล่อยวางอันนั้นเนี่ยเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมมันคุมเกลือไหม ถ้าเราเข้าใจได้เหตุและผลดีใจว่าเราไม่เปอะไรเลยที่เราจะต้องพยายามไปทําอะไรคเพราะความพยายามไปทําอะไรเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกันนั่นเองที่เราพยายามไปทําอะไรแสดงว่าเราไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของธรรมชาติเราไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของธรรมชาติของตัวเราที่เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นวิสังขารเป็นอาสังขาธรรมชาติตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีเิริยาการอะไรไม่มีเราไม่เข้าใจที่แท้จริงดีใจของเขา ธรรมชาติของเราตัวตนนี้มีไม่มีตัวตนไม่มีรูปปัางอะไรเลยมีแต่ความรู้เขาจึงไม่ต้องมีที่ความพยายามอะไรที่เรากับบอกว่าเข้าใจเข้าใจแต่เรากลับใช้พลังความพยายามอย่างมากนั้าะในตัวที่พยายามได้มันมันเป็นธรรมชาติของสังขารไม่ที่เป็นธรรมชาติของปสังจารือเป็นนกสังารได้มันเป็นธรรมชาติของสังขารการสังเกตอย่างแอบเห็นในใจของหมอเนี่ยมันจะมีการบี มันยังเข้าใจคัดเคลื่อนเพืออธิบายได้แต่ในใจเล็กๆเนี่ยคัดเคลื่อนคาดเคลื่อนคือหาคุณทางช่วยเหลือตัวเราได้พยายามหาคุทางช่วยเหลือตัวเรากลายเป็นตัวเราเนะี่ยมีตัวตนที่จะลองรับอะไรได้ที่จะไปจับอะไรได้ที่จะไปได้ไหลไปถึงอะไรไปเป็นอะไรมันเลยพยายามจะช่วยตัวเราอ่ะให้ไปได้อะไรที่เราไปได้ไปถึงมรรพานไปบรรลุธรรมมีตัวเราที่จะไปบรรลุ มีตัวเราที่จะไปได้นิพพานเป็นตัวนี้เป็นความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนต้อนเลยใน ใ, นใจเอาจะเข้าใจมันไม่ถ่องแท้ในใจของเราอะตัวเราไม่มีเป็นธรรมชาติของวิสังขารเป็นอาสังคตต า, ธาเป็นธรรมชาติที่ตัวสดไม่มีไม่มีอะไรเลยทั้งที่บอกว่าปล่อยวาง้าไปเลยเราไปจับอะไรแล้วไปล่อยไปจับแล้วไปปล่อยแล้ว เ, เป็นธรรมชาติที่แบบมันได้ ไม่เข้าไปยึดอะไรก็เรียกว่าปล่อยวางหรือเรียกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดก็ไม่ต้องปล่อยวางก็ได้เข้าใจเข้าใจครับหลวงตาไปยิ้ฟังแล้วเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยรนะีก็มันก็ยังอย่างที่หลวงตา บ, บอกอะพราะงในมันก็ยงังรู้สึกว่ามันมันจะต้องไปทํบบาอะไรนั่นนะคะ มันเหมือนจะเข้าใจจะเข้าใจด้วยมันยังไม่เข้าถึงใจที่ว่ามันตรงเนี้ยมันมันรับชมยังไงอ่ะนที่จะเป็นธรรมที่แท้จริงเลเพราะธรรมชาติมันมีแค่สองธรรมชาติเองถ้าพูดอีกมันก็จะเป็นพยายามอีกก็ดูเข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยค่ะว่ามันบ่งทีก็จะจริงจริงว่าธรรมชาติของปุ่มแตกจริงๆมันไม่ปุ่มแตกไม่ได เราก็จะอยู่ในความเงียบมีฐานแคนี้เราเราอยู่ในความเราการเปความเงียบความสงบเป็นจริงเป็นสถานการณ์เปล่งแต่ใดๆทั้งหมดนั่นแหละมันเกิดจากธรรมชาติของเราเ็แกนที่ปล่งแต่งเราจะพยายามทําความเข้าใจอย่างหนมันเลการเป็นเปล่แต่งมากขึ้นมากขึ้นพยายามจะทำความเข้าใจพีายามจะเข็นพยายมจะรู้จะละจะปล่อยจะวางมันในการเป็นธรรมชาติ มันไม่กลายไปเป็นธรรมชาติท like er ี like voices, ่ไม่ขาดคุ้แต่งได้เพราะนี่ยต้องเบ้นขาดจากความคุ้มแต่งใดๆเป็นขาดจากการดิ้นรนไนความเป็นขาดจากการพยายามอยู่เงียบๆสงบสักว่าเงียบๆสักบางเป็นการคิดการนึกการพูดกัรกิดต่อไม่ิ้นรนในคนถามไม่พยายาม มีความพอใจสบ้านนั่นเองครับความพอใจตลอดแคความสงบสมบจากความปลกแต่งสงบจากความติดตนสงบจากความกังวลระวายใจสงบจากิญจะทําอะไรไป็นอะไรไม่งั้นเนี่ยจะอธิบายในตายยังไงอะมันก็ยิงตายเป็นความพยายามมันก็เลยไม่พบความจริงตลอดทจษฎีที่ปูกแต่งไม่ได้ จานั้นเราจึงต้องเบนปากให้ตามจแส็มนเป็ น, ปนประบบตลอด้ริโดยไม่ต้องสั่งไม่ต้องเข้าใจบางทีมันเหมือนการฟังเยอะเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะหลวงตามันก็จะเข้าไปคิดว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นคะ่ะแต่ถ้ า, า ท, าทมนไม่ปาก ไ, ไปเลยแต่ฟังมากเก็นไปก็ยิ่งคงแต้มมันก็หลุดไป้าง ทุกอย่างเขาให้ปล่อยวางมันต้องจบสิใจแต่เราก็ไม่สงบสักทีเนนทีวีช่วยช่วยช่วยตานไงโยมโยมมัน้โยป้าโยะนะน่าจะป้าีวีป้าป้าหรยป้าอป้าั ต้องอดดูลมหายใจเข้าอดสติอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันกำนังทําอะไรอยู่ก็ก็ก็อยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่อ่าสิเชื่อเกีวีแค่นี้ก็พอละวให้มีสติอยู่กับปัจจุบันดูลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริง รู้กายรู้จิตตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันเชื่อกีวี่ก็แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องอยากจะได้อยากจะรู้มากไปรู้กายรู้จิตตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบัน